บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อเกิดผลเป็นความรู้ยิ่งความรู้ดีและความดับแก่ผู้ศึกษาและปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงโดยนยตต่างๆ คือคลอยตามจริตอัธยาศัยของบุคคลที่แตกต่างกันอย่างที่พูดกันว่าลังเนื้อชอบลังยาแต่นั้นแม้เมื่อมาถึงขั้นของวิปัสสนากรรมฐานคือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเห็นสัตว์ได้สังขารตามความเป็นจริงก็ทรงจำแนกแสดงโดยวิหารที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันในกรณีของการเห็นแล้ว จะทำให้บุคคลหลุดพ้นจากความทุกข์ไปด้วยประการทั้งปวงนั้นส่งแสดงข้อความซ้าๆกันสามเรื่องคือได้แก่เห็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นทุกข์เห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นอนัตตา เออร์รับสั่งแสดงว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นทุกข์เห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นนัตตาเมื่อ น, นั้นเขาย่อมหน่ายในความทุกข์นี้คือทางแห่งความหมดจดคือทางแห่งมรรคผลนิพพานคำว่าวิสุทธิในความหมายนี้คือหมดจดปราศจากกิเลสเครื่องศสมองใจทั้งหลายอนันเป็นเป้าหมายสูงสุด แต่ในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วบุคคลอาจจะเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งก็ได้อย่างในกรณีที่รับสั่งแสดงแก่พระมุขคราตนั้นเป็นการเริ่มมาจากอนัตตาโดยรับสั่งว่าให้มองโลกเป็นของศูนย์คือของว่างจากตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนหมายถึงการเป็นการพูดในระดับความจริงที่แท้จริงว่า ไม่มีทั้งตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนในแง่ของปรมัตสัจจะคือความจริงชั้นยอดถ้าว่าบุคคลสามารถมองได้เข้าใจได้ในชั้นนี้มัจุราชคือความตายก็จะไม่มาครอบงำหรือตามไม่ทันคำว่าความตายตามไม่ทันนั้นออกจะเป็นสำนวนโวหารที่เป็นภาษาบาลีไปนหน่อย แต่แท้จริงแล้วก็คือคนจะไม่ตกลงสู่อำนาจของความเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่แกรเมื่อไม่แก่ก็ไม่ตายก็เป็นการจบสิ้นสังสารวัตรกันผู้ถามมุ่งความหลุดพ้นจากทุกอย่างสมบูรณ์พระตามาเทศนาที่แสดงจึงแสดงเพื่อมุ่งไปสู่ผลการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่สมบูรณ์แต่ในชั้นของการประพฤติปฏิบัตินั้น เราจะเปรียบเหมือนคนหรือนักมวยที่ต่อยมวยจุดมุ่งหมายจริงๆก็คือต้องการจะเป็นแชมป์แต่กว่าจะเป็นแชมป์ได้มันก็ต้องฝึกปรือฝึกซ้อมแล้วก็ต้องผ่านคู่ชกในระดับต่างๆขึ้นไปเป็นอันมากจากคู่ชกที่มีฝีมือธรรมด า, รรมดาไปแล้วก็เพิ่มความเข้มแข็งของคู่ชกขึ้นไปโดยลำดับจนอยู่ในระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ก็ถึงจุดที่จะได้จริงแชมปธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นนั้นฝ่ายขาศึกศัตรูคือฝ่ายตรงกันข้ามนั้นได้แก่พวกบาปพวกกุศลที่มีชื่อต่างๆฝ่ายที่เป็นธรรมะก็คือกุศลและธรรมที่บุคคลเพิ่มพูนให้บังเกิดขึ้นถึงตามปกติแล้วพวกเหล่านี้ก็ต่อสู้กันภายในจิตใจของบุคคลต่อสู้กันอยู่ทุกวัน และที่จริงก็ทุกขณะจิตด้วยซ้งไปซึ่งบุคคลสามารถมองดูที่จิตของตัวเองในแต่ละขณะก็จะเห็นว่าภายในจิตใจมีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงในขณะที่เราพยายามทำใจให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตก็มีพลังส่วนหนึ่งที่มาผลักดันให้เกิดความฟุง้งซ่าน ร ะ, ระหว่างความฟุ้งซ่านกับความสงบจึงต้องมีการต่อสู้กันอยู่เสมอบางครั้งก็ทําความสงบให้เกิดขึ้นได้ซึ่งแสดงว่าในขณะนั้นความฟุ้งซ่านไม่สามารถทําลายความสงบแต่ว่าอีกช่วงหนึ่งอโอกาสหนึ่งซึ่งอาจจะมากกว่า ก็จะถูกความฟุ้งซ่านซึ่งมีกำลังมากกว่าครอบงาไว้ดังนั้นสมาธิก็ตั้งอยู่ไม่ได้อย่างที่ทรงแสดงถึงเรื่องของธรรมะทรงใช้คำว่าเป็นสันเลักษณคือขัดเกลากันหรือทำลายล่างกันก็ได้แม้ความมาสิ่งหนึ่งปรากฏสิ่งหนึ่งต้องไม่ปรากฏแต่ในขณะที่กำลังทัดเทียมกันอยู่ ตำหนองใกล้ๆกับปริมาณน้ําใสกับปริมาณน้ําขุนที่อยู่ในอัตร า, าส่วนใกล้เคียงกันกระอเจอน้ําใสแท้ๆก็ไม่ได้จะให้เป็นน้ําขุนจริงๆก็ไม่ได้ก็มีปนปนกันอยู่แต่เมื่อใดที่กําลังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นเช่นปริมาณน้ำใสเพิ่มขึ้นเกลก็จะมีกําลังผลักดันทําลายความขุ่นข้นน้ำใสก็จะเพิ่มขึ้นโดยลำดับ แต่ก็ไม่ใช่เป็นการแน่เสมอไปบางช่วงบางขณะน้ําขุนก็ได้กําลังมากแกก็สลายความใสทําให้ขุนคข้นตามแกไปจนอาจจะกลายเป็นน้ําที่ใช้ไม่ได้ก็ได้ในขั้นตอนของการปฏิบัติระดับศีลก็ดีระดับสมาธิก็ดีจึงยังเป็นอยู่ในช่วงของการต่อสู้ชีวิตของบุคคลจะมีลักษณะขึ้นขึ้นลงลง ไอาการที่ขึ้นึ้นลงลงนั้นที่จริงเกิดจากความเปลี่ยนแปลงจากจุดใหญ่คือจิตที่ถูกครอบงาด้วยความคิดที่เป็นกุศลบ้างที่เป็นอกุศลบ้างขวัยไหนมีกำลังมากกวึดครองจิตยึจข้องจิตได้มันควบคุมอาการกายอาการวาจาของบุคคลไว้ได้แต่ควบคุมทางกายทางวาจาท่านจึงเรียกว่าปกติเพราะนั้นคาว่าศีลจึงแปลว่าปกติหมายความว่าอาการทางกายก็ปกติอาการทางวาจาก็ปกติ คำว่าปกติในความหมายนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีกิเลสแต่กิเลสจะถูกควบคุมไว้อย่างน้อยก็ไม่แสดงอาการที่เป็นการประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นด้วยกายบ้างหรือวาจาบ้างไม่ประพฤติกระทาอะไรที่ให้เป็นพิษเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอาการกายวาจาก็ปกติแต่ใจอาจจะไม่ปกติก็ได้เพราะศีนั้นคุมใจอย่างอ่อนๆไม่ได้คุมจริง มจริงๆต้องการคุมเฉพาะส่วนกายกับส่วนวาจาให้การกระทำบางอย่างจึงไม่ผิดศีลแต่ก็ผิดธรรมการผิดศีลจะต้องออกมาทางกายหรือทางวาจาแต่ก็มีความจงใจคิดด้วยหรือบางทีออกมาพร้อมทั้งทางกายวาจาและกระใจบางครั้งก็เป็นกายกระใจวาจากับใจแต่ถ้าใจเฉยๆไม่ถือว่าผิดศีล แต่จะผิดในด้านของธรรมะพอมาถึงด้านธรรมะคือด้านของสมาธิหรือด้านธรรมะปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็สําคัญว่าจะต้องออกมาในรูปของการใช้กายใท้วิาจารของตนเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นเพราะการหยุดไม่กระตุ้นสรายบุคคลอื่นนั้นอยู่ในชั้นสี แล้พอเกิ้อกูลกับบุคคลอื่นก็เริ่มเป็นขั้นของธรรมะและความเกื้อกูลนั้นจะเพิ่มขึ้นและเข้าถึงจิตใจของบุคคลเหล่านั้นคือแม้แต่ความคิดที่จะประทุษร้ายคิดจะเห็นความพิบัติเดือดร้อนก็ไม่เกิดขึ้นภายในใจถึงจะสืึกษาไปถึงต้นเหตุจริงๆก็คือว่าจิตนั้นได้มีกุศลธรรมเพิ่มขึ้นมากแล้วคุ้มครองรักษาตัวเองได้ แม้กุศลธรรมจะมีอยู่ก็ไม่ถึงกับผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ในช่วงนี้ไม่ใช่เป็นช่วงที่แน่นอนท่านเรียกว่าอ น, นิจจตาคือไม่แทไ้ไม่แน่นอนหรือไม่เที่ยงไม่คงทนอยู่ในจุดใดจุดห น, นึ่งเพราะอะไรเพราะจากช่วงนี้ไปจนถึงแม้แต่อรูปฌานซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของสมถกรรมฐานที่จริงก็ไม่เที่ยง เพราะโอกาสที่จะถูกอารมณ์ข้างนอกมากระแทกกระทันให้เกิดการมันชันให้เกิดโทสะโดยเฉพาะสองตัวนี้เกิดได้ง่ายพระจิตใจของบุคคลไวต่อความรักและความชังอยู่แล้วการปฏิบัติระดับสมถะจึงเป็นการสยบอำนาจของกิเลสไวเท่านั้นเองก็คล้ายๆการเราเอาไม้ไปกดไว้ที่ศีรษะของงูโดยเชือกไปล่างสัตว์ไว ก็ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงปไม้จะหลุดจากมือก็ได้เชือกจะขาดก็ได้แล้วกรงจะพังออกมาก็ได้แต่อย่งไรก็ตามก็ถือว่าความเข้มแข็งทางใจนั้นสูงขึ้นสามารถสงบใจจากอารมณ์ต่างๆที่เป็นข้าศึกลงไปได้เจริอารมณ์ที่เคยเกโกรธโกรธก็ต้องโกรดน้อยลงไม่จะเพิ่มขึ้น ถ้าเพิ่มขึ้นแสดงว่าไม่ได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความรักความชังในกรณีที่ก่อเกิดทั้งความรักและความชังนั้นจะมีลักษณะกลางๆสูงขึ้นแม้จะรักก็ไม่ถึงกับมากจนรุ่มหลแม้จะชังก็ไม่ถึงกับเครียดแค้นจนถึงมุ่งอาฆาตพยาบาทไปทําลายล้างหรือต้องการเห็นความพิบัติเดือดร้อนของบุคคลนั้นแสดงว่า จ, จิตใจของบุคคลมีความประนีตขึ้นมีความสูงขึ้นโดยการปฏิบัติในลักษณะนี้ไอความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเขาที่มีอยู่มากในใ จ, จิตใจของคนของสัตว์ทั้งหลายนั้นจะลดลงไปถึงการปรับให้ความรู้สึกเหล่านี้ลดถึงสังเกตว่าถ้าก็ปรับมาตั้งแต่ โปรดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรด า, าตับประสาททั้งหลายที่ใช้คำว่าสเพสตาการได้มองในแนวสเพสตานั้นก็คือเพื่อลดความเป็นเขาลงไปให้เหลือความเป็นเรากับพวกเราที่จริงก็คืออยู่ในระดับของกิเลสนั่นเองแต่พึงสังเกตว่าถ้าเรากับพวกเราหรือว่าเรากับเขานั้นความรู้สึกระหว่างเรากับเขาจะแตกต่างกัน โอกาสที่โทสะจะเพิ่มขึ้นจนถึงประทุษรายล่างผลานกลายเป็นสงครามระหว่างชาติต่อชาติหรือระหว่างค่ายต่อค่ายมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายในสภาพเหล่านี้ถ้าเรามองแล้วก็คือความรู้สึกเป็นเรากับเป็นเขาเป็นคอมมอนนิสต์เป็นประชาธิปไตยเป็นค่ายนั้นเป็นค่ายนี้และในสุดก็ยกขึ้นมาข้ามห่างกันาการปรับลดกิเลส ก, ก็ปรับมาจากจุดนี้เรื่อยลงไปจนจางไป พอถึงจุดศีลเราก็รู้สึกว่ายังเป็นเขาอยู่ยังเป็นเราอยู่แต่เข้าใจทั้งเราทั้งเขาอะไรที่เราไม่ชอบให้ใครทําต่อเราเราก็ไม่ทําต่อเขาเพราะเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันความคิดระดับนี้ก็สร้างเป็นฐานจิตขึ้นมาให้บุคคลมีศีลมีการเคารพทั้งในเราและเขาในทรัพย์สมบัติของเราและเขาในชีวิตของเราและเขาในคู่ครองของเราและเขาในผลประโยชน์ของเราและเขา ยังมีเรามีเขาแต่พอถึงชั้นของธรรมปฏิบัติเราก็มีเรามีเขาอยู่พอสมควรแต่เราก็พร้อมที่จะเกื้อกูลเขาช่วยเหลือเขาสงเคราะห์เขาธรรมปฏิบัติแนวนี้พึงสังเกตว่า mm hmm. เช่นภายในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงกันหรือบรรดาสัตว์ทางหลายนั้นท่านปรับให้มาอยู่ในจุดของเรากับพวกเรา ไอ้ความมีเป็นเขาน้อยลงเช่นในที่ถกนั้นจะไม่มีเขาแต่มีแต่เรากับพวกเราเห็นภายในครอบครัวก็มีมีเรามีพ่อแม่พ่อของเราแม่ของเราปัญญาเรามีลูกเรามีสามีเรามีครูบาอาจารย์เราแล้วก็จายไปเป็นเพื่อนของเราเป็นสมณะพราหมณ์ของเราอันแสดงว่าความรู้สึกเป็นเขามังคนลดลงพอลดลงแล้วจะเป็นยังไงคือคนเราจะปฏิบัติเคื่องคุณต่อกัน นอกจากเรื่องเบียดเบียนนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วตอนนี้เป็นการปฏิบัติเกื้อกูลมีการสงเคราะห์นุเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ต่อการโดยความเอื้อเฟื้อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกั น, น, กนแล้วพอถึงธรรมะปฏิบัติระดับกรรมฐานเราจะเห็นว่าต้องการให้มองในแนวที่เป็นสัพปะสัตว์ทั้งหลายคือเป็นผู้คล้องผู้ติดอยู่ในโลกด้วยกัน อยู่ในทะเลของความทุกข์ด้วยกันพี่พูดว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นคำพูดเล่นๆแต่เป็นคำพูดที่ต้องเข้าถึงใจจริงๆใจของใครก็ตามที่เข้าถึงคำพูดเหล่านี้ได้ความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาก็ลดลงไปแล้วกลายเป็นพวกเราในลักษณะรวมเมื่อก่อนเป็นพวกเราเมือนกนแต่แยก น, นั้นเพื่อนเราก็แสดงว่าไม่ใช่เพื่อนเรามีไม่ใช่เพื่อนเราอยู่ด้วยนั้นปัญญาเรานั้นไม่ใช่ปัญญาเรานั้นลูกเรานั้นไม่ใช่ลูกเราเพราะในคำว่า <f uck> <ๆ>ไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่ปัญญาเราเนี่ยอาจจะเกิดกําหนัดขัดเคืองก็ได้แต่พอถึงจุดนี้ไม่เอาไม่มองในแนวนั้นนแต่มองในแนวสัพเพสัตาเลยถือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันร่วมเกิดด้วยกันร่วมแ ก, ดก่ด้วยกันร่วมเจ็บด้วยกันแล้วก็ร่วมตายไปด้วยกัน เป็นการสร้างสมาธาฉันขึ้นภายในใจมุ่งการประพฤติปฏิบัติที่จะให้เกิดผลแม้แต่ในความคิดแม้ความคิดก็มุ่งเป็นความสุขความปลอดเวนปลอดภัยแก่บุคคลด่งนั้นตอนนั้นพอมาถึงระดับวิปัสสนากรรมาฐานถ้าเรามองจากสายอนิจจังือความเป็นของไม่เที่ยงก็จะเห็นว่า สัตตังหลายนั้นก็เป็นอย่างนี้เองที่ทรงชช้คำว่าสังขารต่างหลายตอนนี้ไม่พูดสัตว์ไม่เอาสัตว์และเอาสังขารเลยที่จริงสัตว์กับสังขารมันคืออันเดียวกันแต่เราจะเห็นว่าถ้าเป็นสัตว์แล้วเนี่ยบางทีมันมีความรักความชังได้ก่อให้เกิดความรักความชังได้ง่ายการมองยังเป็นสัตว์อยู่ในในขณะที่เรามองด้วยความรักนั้นอาจจะมองด้วยความชังก็ได้พฤติกรรมของสัตว์แตกต่างกัน กิจใจยังอัดไวต่อกิเลสได้โดยเฉพาะคือไวต่อที่ต้องใช้คําว่าอภิชาโทมานัตหรือความชอบความจังหรือความยินดียินร้ายจำนวนบาลีท่านใช้คําหลายคำแต่สรุปว่ากิเลสสองสายเนี่ยกิเลสสายโลภะกับกิเลสสายโทสะแต่พอมาถึงวิปัสสนากรรมฐ า, านเม่นสังเกตว่าไม่ใช้คํำว่าสัตว์ไม่ใช้คำว่าสัตว์แปลว่าสังขารเพื่อเตรียมใจทําอะไร เตรียมใจเราให้ยอมรับความจริงชั้นแท้จริงว่าที่จริงไม่มีทั้งคนไม่มีทั้งเราไม่มีทั้งเขาแล้วไม่มีแม้แต่สัตว์ไม่มีแม้แต่สัตว์ที่เรามองกันในสายระดับกรรมฐานเนี่ยเรามองเป็นสัตว์แต่วิปัสสนานั้นแม้แต่สัตว์มันก็ไม่มี ในชั้นนี้เพิ่งสังเกตว่าถ้าระดับที่จะสอนพระบวชแล้วก็สอนมาตั้งแต่ต้นนะนิสัตโตนิชีโวสุญโยสอนให้ดูสามอย่างนิสัตโตคือไม่ใช่สัตว์นิชีโวคือไม่ใช่ชีวิตไม่มีชีวะแล้วก็สุญโยในสุดก็ว่างสอนให้เรียนโลกสามจุดด้วยกันนิสัตโตนิชีโวสุญโยแล้วไม่ใช่สอนให้ดูเฉพาะสัตว ทรงสอนให้ดูทั้งในเรื่องของอาหารทั้งในเรื่องของเครื่องนุง่งห่มทั้งในเรื่องของสถานที่อยู่แต่ในเรื่องของยารักษาโรคเขาเรียกว่าในปัจจัยสี่เวลาไปเห็นปัจจัยสี่ให้มองในแนวนิสสตโตนิชิวุสุนโยสามคำนิสสตโตก็คือไม่ใช่สัตว์ถึงสังเกตว่าเป็นการเดินมาของจิตที่จะปรับได้ขนาดไหนก็ปรับไปปรับไม่ได้ก็อยู่ที่ชั้นนั้นด้วยก่อน ในชั้นแรกโลกจริงๆนั้นมีเรากับมีเขารุนแรงมากจนถึงต้องการจะเอาเขามาเป็นเรามาเป็นประโยชน์ของเราเมื่อไม่ได้เป็นประโยชน์ของเราเราก็ทําลายเขาเพื่อให้เราอยู่นั่นคือโลกมันเป็นอย่างนั้นในพอขั้นของธรรมะก็ที่จริงยังมีเรามีเขาพอขั้นของศรรีลดังมีเรามีเขาดังกล่าวแล้วแต่ไม่ถึงทําลายเขาเพื่อสนองตอบความต้องการของเรา แสดงก็สงบขึ้นเยอะพระชั้นทำธรรมะก็ดีขึ้นพอชั้นทำธรรมะก็ดีขึ้นไปแต่พอชันวิปัสสนาจริงๆนั้นสอนในแ ง, ง่จริงๆสัตว์ก็ไม่เอาแล้วทีนี้ก็นิสสัตว์โตนิชีโวสุนโยไม่มีสัตว์ไม่มีชีวะคือไม่มีชีวิตที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะมันเป็นการเกาะกลุ่มกันของขันธ์าาธาตุอายตนะทั้งที่เป็นรูปธรรม ท, ทั้งที่เป็นนามธรรม แล้วก็มองเห็นสุนโยคือว่างหรือศูนย์ศูนย์จากความเป็นเราจากความเป็นของเราจากความเป็นตัวตนของเราเลยมองเต็มที่เลยแน่นอน ก, การมองในที่นี้ไม่ใช่ว่าเรื่องทำได้ง่ายเราก็สวดนั้นคงทาง่ายพูดนั้นก็คงทำได้ง่ายแต่การปรับกิเลสให้แกลดตามความรู้จงเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก ดังเรื่องเหล่านี้จึงทรงสอนในรูปของบทสาธยายบทสวดค่อยๆคิดค่อยๆคิดมันไปเรื่อยๆสามารถเข้าใจได้เห็นได้ในจุดใดก็จะพยายามไม่เห็นได้ในจุดนั้นแต่หาประโยชน์ได้ในจุดนั้นดังนั้นคําว่าสุญโยคือว่างหรือสูญนั้นถ้ามองกลับไปในชั้นธรรมะปฏิบัติในชีวิตประจําวันเราจะเห็นว่า ก็ทรงสอนระดับหนึ่งของนิสสัตโตคือไม่ใช่สัตว์นิชีโวคือไม่ใช่ชีวะแล้วก็สุนโยคือของว่าจะนในกรณีของการกระทบอารมณ์จะเป็นเหตุให้เกิดความรักหรือความชังก็ตามเพื่อกู้คุมใจของตัวเองเอาไว้ไม่เกิดกำหนัดเกิดความขัดเคืองคือเน้นไปที่กำหนัดกับขัดเคืองหรือชอบกับชัง หรือว่าอภิชากระทบมนัสก็ตามหรือน่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาเพิงสังเกตว่าคาเหล่านี้จริงๆเป็นเรื่องเดียวกันทั้นนั้นคือใช้ให้มันสอดคล้องกับความเข้าใจของคนในขณะนั้นๆท่านั้นเองจริงๆแล้วอารมณ์ที่สร้างความหวั่นไหวแก่ใจก็คือรักกับชังสร้างความหวั่นไหวมากโลกก็หวั่นไหวไปด้วยความรักในความสั่งนี้มาก วัานธรรมอย่างไรจึงจะไม่ไปกำหนดเป็นสัตว์เป็นคนในชั้นแรกก็คือไม่สนใจตรงสอนไม่สนใจซะเลยให้สอนให้หลีกห่างไม่สนใจให้อยู่ไกลให้หลีกเว้นจากคนจากสัตว์ซึ่งเรายอมรับเป็นพื้นลึกๆมากนั่นก็หลีกหนีจากคนจากสัตว์ไปนั่นก็คืออยู่ในสถานที่วิเวก ทีระพุทธเจ้าท่านทรงรมก็คือหลีกไปก่อนอยู่จากสถานที่วิเวกเพื่อหลีกคนหลีกสัตว์นั่นเองซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติในทางใจทีนี้บางทีเราก็หลีกไม่ได้เราก็หลีกเฉพาะคนหลีกไปอยู่ในสถานที่เกลีเงียบเงียบปรจาจจะคนปรจารจจะสัตว์ไม่ได้เราก็หลีกเฉพาะคนไม่ดีเราก็ผ่านสมาคมคนดี แต่บางทีมก็หลีกไม่ดีหลีกไม่ได้เหมือนกันกับคนผ่านพรนก็ให้มองในแง่ศักดิ์แต่ว่าเช่นคําด่าของคนผ่านคำนินทาว่าร้ายของคนผ่านการใส่ร้า ย, ายงคนพ่านก็มองไปในแง่ของกรรมก่อนพึงสังเกตว่าการมองในแง่ของกรรมที่ว่าคนเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องไปผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดอยแต่จนเรื่อยไปจนถึงว่า ใครทำกรรมบันไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลกับนั้นเพราะงั้นคนนั้นก็ทำชั่วแล้วก็มาชั่วนั้นเราทำชั่วด้วยเรื่องอะไรจะต้องไปทำชั่วตามเขาก็ปล่อยก็ทำเข้าไปในกรณีเราห้ามได้มงนุเคราะห์เขาก็ห้ามเมื่อห้ามไม่ได้เราก็ต้องหยุดไม่ทำตัวเองอย่างน้อยก็ไม่เพิ่มคนชั่วก้นอีกคนหนึ่ง การไม่เพิ่มคนชั่วกันอีกคนหนึ่งนั้นเป็นการเพิ่มคนดีขึ้นอีกคนหนึ่งนี่คือธรรมะปฏิบัติในชั้นหนึ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องกับคนสัตว์คือยังมีคนมีสัตว์อยู่แต่เราก็ไม่พยายามที่จะกําหนดจะกําหนดได้เกิดความกําหนัดได้เกิดความขัดเขือนการที่ทรงสอนในแง่ที่ว่าพึงชนะคนชั่วด้วยความดีพึงชนะคนสนีทด้วยการให้พึงชนะคนโกรธ ด, ด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนพูดจาหลอกแหลกด้คําำศัตว์คำจริงอะไรก็ว่าเขาก็ผิดไปแล้วเรื่องอะไรเราเราจะต้องผิดตามเข้าไปในช่วงนี้พึงสังเกตว่ายังมีทั้งคนทั้งสัตว์แต่เราก็ตัดปัญหาเพื่อไม่เพิ่มกิเลสแก่เราเขาก็ประสบผลกรรมตามอํานาจกิเลสที่บังเกิดขึ้นภาในใจเขาเราก็หยุดตัวเองไว้ได้ แต่พอชั้นนึ่มันต้องครุกครีเกี่ยวข้องทั้งคนผ่านทั้งบัณฑิดแต่แโดยเฉพาะในกรณีของคนผ่านเราสงสอนในแนวโยนิโสมนัสจิการคือทําอย่างไรอย่าไปร่วมหลักความคิดกับคนผ่านอย่าร่วมกิจกรรมกับคนผ่านอย่าร่วมผลประโยชน์กับคนผ่านโดยเฉพาะคือกิจกรรมการประพฤติปฏิบัติการดํ า, า, านเนินชีวิตก็อย่าร่วมกับคนผ่าน อันก็หมายความว่าคนพานมีก็ส่วนเขามีแต่เราไม่กำหนดไม่ยอมรับสถานะเขาบางอย่างโดยเฉพาะพฤติกรรมการพูดการแสดงการชักชวนเชนิญชวนของเขาก็ถอยตัวเองห่างออกมาอีกปลอดภัยพอสมควรแต่ไม่จะปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงเพราะเป็นเรื่องของธรรมปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะนั่นทีนี้พอถึงจุดหนึ่ง เราจะปล่อยสักแต่ว่าเลยสักแต่ว่าในกรณีที่มีอารมณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นแล้วจะทำจิตใจให้เปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาล้วก็สักแต่ว่าลักษณะ ส, สักแต่ว่าเนี่ยคือการพยายามมองให้เห็นว่ามันไม่มีอะไระเช่นว่าคำยกย่องคำสัรเสริญ หือทั้งยกย่องทั้งสรรเสริญที่จริงมันก็เป็นอากาศสะท้านไปแล้วทําไมมาปลื้มอยู่กับคํายกย่องทําไมมาเศร้าโศกเจ็บแค้นเครียดแค้นต้องการจะโต้ตอบนินทาต้องการจะโต้ตอบกับคําที่เขานินทาเพราะแท้จริงทั้งนินทาทั้งสรรเสริญ น, นั้นแกเป็นอากาศาธาตุไปหมดแล้วก็หายไปแล้วต้อยคาด่าว่าทั้งหลายนั้นมันก็ไม่ได้เข้ามา กระทบเราอย่างห อ, อกแหลนลาวหนนี่ก็คือปล่อยให้ตกไปเขาทำเ้าก็ทำาก็ไม่ใช่เขาไม่ทำคือเรื่องของเขาแต่เราไม่รับก็ปล่อยให้ตกไปตำานองเดียวกอะไรทำานองก็คนโยนของสุกปรกให้เร า, เ ร, ารู้มัของสุกกรกก็ไม่รับเขาก็เปื้อนเขาของนั้นก็ตกไปเราไม่เปื้อนเราไม่เจ็บ จากสิ่งที่เขาโยนมาธรรมะปฏิบัติในแนวนี้เจนทรงสอนว่าณปรศสังวิโลมานิณปรศสังอกตากะตัง่าใส่ใจถ้อยคำหยาบคายร้ายกาจของคนทั้งหลาหรือการกระทําแล้วจะและยังไม่ได้ทําของคนเหล่าอื่นเขาอัตโนวอเวขเยะให้ตรวจสอบในตัวเอง หน้าที่ก็ตัวเองการงานก็ตัวเองทั้งที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําเกือนมาตรวจสอบที่ตัวแทนที่จะไปดูข้างนอกต่าการศึกษาแนวพุทธนั้นจะต้องดูข้างในไม่จะดูข้างนอกแม้แต่ดูข้างนอกก็จะต้องน้อมมาข้างในไม่จะน้องก็ไปนอกเลยทังในสังคมโลกนั้นสังเกตว่ามีการออกคนมาประกวดความงามกัน แล้วคนข้างนอกเรามาเทียบเคียงกับคนข้างนอกแหววีนี้ใชตัดสินกันเป็นเรื่องสนุกสนานไปแต่วถามว่าจิตใจตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงอะไรดีขึ้นไหมก็ไม่ได้ดีขึ้นไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ภายในจิตใจของตนแล้วก็อยู่ในสูตรเดิมคือชนะก็ก่อเวทแพ้ก็เสียดายเพราะภายในใจก็ต้องเก็บความแค้นที่จะต้องทดแทนเอาไว้ ปีหน้าในช่วงโอกาสต่อไปจิตใจก็วุ่นวายเราอาจจะทําจะให้คนอื่นก็สมหวังแต่คนที่ผิดหวังนั้นมากกว่าแในเราเองก็อาจจะสมหวังอยู่ระยะหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็จะผิดหวังเหมือนกันความเปลี่ยนแปลงทางใจจึงไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าหาันมาตรวจสอบดูที่ตัวเองดูที่ใจตัวเองดูที่อาการทางกายต่างจิตของตัวเองหรือการงานที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของตัวเองนั้น เราก็แก้ไขได้ตรงใช้คำว่าอัตโนวาเวกเขยยะคือให้ตรวจสอบเรื่องของตนคือการกระทํ า, า, า อ, อากต า, านิอกตานเนจะคือการงานที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําของตนงานที่ทําแล้วจะเป็นการงานจะเป็นหน้าที่จะเป็นคุณธรรมจะเป็นอะไรก็ตามคือตรวจสอบทั้งในส่วนที่ทําแล้วว่าทาไปแล้วหรือไม่ถ้าทําแล้วทําดีหรือไม่ถ้าทําดีแล้วจะทําให้ดีขึ้นไปกว่านี้ได้ไหมในขณะนี้ อันก็คือมองในแนวที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ประณีตยิงๆขึ้นไปเป็นการพยายามลดกิเลสลดความเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาให้เหลือความเป็นเราด้วยวิธีการต่างๆคือสรุปว่าเป็นบันไดที่จะไต่อันดับขึ้นไปชิงแชมป์ให้เข้ารู้แจ้งเห็นจริงในอนัอนตตลักษณะอันเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดุดตามที่ทรงแสดงแก่พระโมคค ร, ราชนันเด็ ต่แต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป